ช่วงนี้เราคงได้ข่าวนะความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเรียกว่าวิปริตในยุโรปและอเมริกาตอนที่ก็มีคลื่นความร้อนนะแผ่เข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าหลายแห่งทีเดียวนะแล้วไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นนี่มันก็รุนแรงมาก แล้วก็น้บอนจะรุนแรงมากขึ้นกินเนื้อที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ดับยากเมื่อหลายปีก่อนนะมันมีไฟไหม้ป่าที่ประเทศอเมริการุนแรงมากนะแล้วก็มีพนัก ง, งานดับเพลิงนะักประตนเพลิงประมาสิบห้าคนเนี่ยถูก ส, ส่งไปเพื่อ ระงับนะหรือควบคุมไฟเนี่ยไม่ให้มันลุกลามไอการจะดับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่ทำได้คือควบคุมทิศทางของไฟไม่ให้มันขยายวงกว้างแล้นักปชนเพลเนี่ยกลุ่มเนี่ยพอไปถึงเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามที่จะทำแนวกันไฟ เพื่อมันจะได้จํากัดบริเวณนะไม่ให้ไฟเนี่ยมันลุกลามรวมทั้งถ้าโชคช่วยก็ทำให้ไฟเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางไปยังที่ที่ที่มีเชื้อเพลิงน้อยซึ่งก็จะทำให้มันดับไปเองในที่สุด ที่แรกก็ดูเหมือนว่าจะควบคุมไฟได้นะแต่จู่ๆเนี่ยลมมันเปลี่ยนทิศทางไฟก็โหมก็คพือแนวกันไฟนี่เอาไม่อยู่จากเดิมเนี่ยถูกส่งไปเพื่อที่จะสู้กับไฟนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นหนีไฟแทนนะ ไฟนี่มันก็ข้ามแนวกันไฟเข้ามาเพลิงก็สูงด้วยนะขนาดตึก3ามสี่ชั้นเจอแบบนี้เข้านี่ต้องหนีอย่างเดียวเลยนะเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าความที่ลมมันแรงมากไฟมันก็เลยเรียกว่าเคลื่อนตัวเร็วแล้วก็เข้ามาใกล้ พนักงานดับเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆคนกรมนี้ก็ต้องในวันนี้เอาชีวิตรอดให้ได้นะแต่ว่าต้องไปเจอกับปัญหาคือมันต้องวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเนินนี่ก็ทำให้ส ป, ปีดเนี่ยมันช้าลงไฟมันก็เข้ามาประชิดตัวเร็วเข้า ช่วงหน้าสื่อหน้าขวานเนี่ยจู่ๆหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็หยิบไม้ขีดไฟขึ้นมานะแล้วก็จุดไฟโยนไปที่พงหญ้าข้างทา ง, ทางแล้วก็เรียกเพื่อนๆเนี่ยในทีมเนี่ยว่าให้มาทางนี้มาทางนี้ แต่เพื่อนเห็นหัวหน้าทย่างนี้แล้วก็คิดว่าบ้านะเพราะว่าข้างหลังก็ไฟและแถมยังจุดไฟข้างหน้าไปเลอแล้วจะรอดได้ยังไงไม่มีใครเลยนะที่จะเชื่อหัวหน้าก็วิ่งนะวิ่งขึ้นเนินหนีเอาตัวรอดส่วนหัวหน้าเนี่ยนะพอ จุดไฟเพื่อให้ทุ่งหญ้าข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นที่โลง่ง <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็กระโดดลงไปเลยนะนอนลงไปบนพื้นที่มันดำเป็นตอตอโกเนี่ย ก่อนที่จะทิ้งตัวลงนอนนี่ก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่ชุบน้ำปิดปากเอาไว้แล้วก็ก้มตัวลงนอนราบกับพื้นเลยเพาว่าฟอไฟมาถึงนะมันก็ไม่ผ่าน ตัวหัวหน้าไปหัวไฟนี่มันโผมกระพือเนี่ยอยู่เหนือตัวเขาเลยนะแต่ว่าตัวเขาไม่ได้รับอันตรายเพราะว่าพื้นที่ที่เขานอนอยู่ยซึ่งจำเป็นต่อตอโก้เนี่ยนะมันไม่มีเชื้อเพลิงแล้ว ไม่มีเชื้อเพลิงไฟมันก็ไม่ลามไหมมันก็ไล่มันก็ไหมแต่ข้างๆนะก็ทนร้อนนะอยู่พักใหญ่เลยแล้วก็อาศัยออกซิเจนนะซึ่งมันยังพอมีอยู่บ้างนะตามพื้นดินเนะี่ยแต่ออกซิเจนที่มันอยู่เหนือหัวขึ้นไปเนี่ยมันหมดไปแล้วละ่ะเพราะว่า ไฟเนี่ยมันเผาพลานหมดปรากฏในสุดเนี่ยไฟที่โหมกระพือเนี่ยมันก็ผ่านตัวเข้าไปเขาก็เลยรอดชีวิตแต่ปรากฏว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ1ิ1สี่สิบห้าคนเนี่ยไม่นับตัวเขาก็สิบสี่คนเนี่ยปรากว่าวิ่งหนีไฟไม่ทันนะ ก็โดนไฟคล อ, อกตายไปคนอีกสองคนนี้ก็เรียกว่าปางตายแต่ว่าตัวหัวหน้านี่ปลอดภัยสิ่งที่หัวหน้าทำเนี่ยมันเป็นการใช้ปฏิพัน์แล้วก็ประสบการณ์ที่มันไม่ต้องอาศัยการคิดหน้าคิดหลัง สิ่งที่เขาทำเนี่ยดูเหมือนว่ามันมันสวนทางกับสามัญสำนึกของคนเรานะเพราะว่าไฟเนี่ยมันไล่ตามมาติดๆเนี่ยแล้วยังไปจุดไฟข้างหน้าอีกเนี่ยี่จะรอดได้ยังไงนะแต่การที่เขาจุดไฟเนี่ยภูมิไม้ข้างหน้านี่ก็เพื่อให้เชื้อเพลิงข้างหน้าเนี่ยมันวอดวายพอข้างหน้าตรงจุดที่เขา ทิ้งตัวลงนอนเนี่ยมันไม่มีเชื้อเพลิงหลงเหลือเนี่ยไฟที่ตามติดกระชิดเขาเนี่ยมันก็เลยผ่านตัวเข้าไปโดยที่ไม่ได้ทำอันตรายกับตัวเขาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนคิดไม่ถึงนะใช้ไฟหนีไฟเนี่ยการใช้ไฟหนีไฟนี่มันเป็นเรื่องที่ คนเราเนี่ยนึกไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกหรอกเพราะในยามนี้เนี่ยมันมีแต่จะช่างต้องใช้น้ำสู้กับไฟถึงจะเอาตัวรอดแต่หัวหน้าคนนี้แกมีปฏิพัน์ไหวพลิบมากในยามนี้ก็ต้องใช้ไฟเนี่ยเพื่อเอาตัวหนีไฟให้รอดแล้วก็ทาได้สำเร็จ ในแวดวงของผู้ที่ดับไฟเนี่ยวิธีหนึ่งที่เขารู้จักกันอยคือการใช้ไฟสู้กับไฟเวลาไฟมันมาแรงๆเนี่ยน้ํานี่เอาไม่อยู่เพราะน้ํามีน้อยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะสู้กับไฟได้ก็คือใช้ไฟเนี่ ย, ยเช่น มาปักหลักเป็นแนวอยู่แถวแนวกันไฟแล้วก็จุดไฟจุดไฟจากแนวกันไฟนั้นเนี่ยให้มันไล่ไปชนไปปะทะกับไฟที่กําลังแผงไฟที่กําลังกระพือโหมเข้ามาไฟที่ชาวบ้านหรือว่าพนักงานป่าไม้จุดเนี่ยมันก็จะเข้าไปปะทะ นะกับไฟที่กำลังไหม้เข้ามาแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็ประทับได้สำเร็จนะเพราะว่าไอ้ไฟที่จุดเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญเชื้อเพลิงให้หมดไปไฟที่กำลังโหมลุกขม้นมาเนี่ยมันต้องการเชื้อเพลิงแต่พอเชื้อเพลิงข้างหน้าเนี่ยไม่เหลือหล่อแล้วมันก็มีแต่จะมอดดับ สถานเดียวอันนี้ก็เป็นภูิบรรยาชาวบ้านนะใช้ไฟสู้ไฟบางทีท่าจยาก็ใช้คาว่าถ้าจาาพุทธาเ่าใช้คำว่าใช้ไฟบ้านดับไฟป่าใช้ไฟบ้านดับไฟป่าไฟนี่มันสู้กับไฟได้หรือว่าใช้ไฟสู้ไฟใช้ไฟหนีไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เป็นไปได้และในยามที่หน้าซีอหน้าขวานนี้ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพด้วยมานึกดูเนี่ยมันก็เหมือความทุกข์นะเราสามารถใช้ความทุกข์เนี่ยเพื่อละความทุกข์ได้ทั้งที่ความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้ละทุกข์หรือดับทุกข์ได้นะ ถ้าใช้เป็นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยที่เรากว่าเราจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะเราใช้ความทุกข์นะเพื่อละความทุกข์หรือเพื่อมันชัดเจนคือใช้ยอมที่จะทุกข์วันนี้เพื่อที่จะไม่ทุกข์ในวันหน้าการที่ เราเนี่ยยอมลำบากนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือนังหาหรือว่าประหยัดอด อ, อมมัธยัตสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความทุกข์เป็นความลำบากนะแต่ว่ามันก็สามารถจะช่วยให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรากับเราในวันข้างหน้าเนี่ยมันมันหมดหรือมันเท่าไปได้ เช่นความทุกข์เพราะว่าไม่มีความรู้ในการทํามาหากินในการประกอบอาชีพทําให้ต้องเรีลว่าแบกเสาใช้แรงงานหรือว่าลําบากยากจนเนี่ยไอความทุกข์นี่มันก็หมดไปนะเพราะว่าเรายอมลําบากตั้งแต่วันแรกๆเรายอมลําบากเรายอมทุกข์ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก หรื อ, อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ทุกนะเพื่อละทุกซึ่งเราก็อาจจะมีประสบการณ์ทำน้องนี้มาแล้วแต่อาจจะไม่ได้คิดนะว่า น, นี้ก็คือการใช้ทุกนะเพื่อละทุกยอมทุกวันนี้นะเพื่อที่จะไม่ต้องทุกในวันหน้าแล้วก็เป็นหลักที่ใช้ได้เสมอมานะไม่ใช่เฉพาะลำบากเพราะ ร่ำเรียนหนังสือนั่งหาหรือว่าอดอมัทยัตให้การที่เรายอมมาลำบากในการปฏิบัติธรรมทราบหลายคนมันก็ทุกข์มากนะมาปฏิบัติธรรมมาอยู่คนเดียวต้องต่อสู้กับความยากลำบากหลายอย่างทั้งทางกายทางใจแต่ในสุดท้ายพวกมันก็คุ้มค่านะเพราะว่า การที่เรายอมทุกในวันนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ไอ้ทุกในวันหน้ามันลดน้อยถอยลงจึงเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราป่วยเราก็ไม่ทุกข์ทรมานมากนะเพราะว่าเราได้ฝึกจิตรักษาใจเอาไว้ละเวลาเราประสบความพัดภาคสูญเสียหลายคนก็เสียศูญเอาตัวไม่ค่อยรอดเพราะว่า ไม่เคยเตรียมใจไม่เคยฝึกใจเพื่อจะมารับมือกับความทุกข์เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตแต่เป็นเพราะเรายอมที่จะลำบากนะตั้งแต่วันนี้นะด้วยการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ความทุกขหรือว่าความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นที่มักจะเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากเนี่ย เพราะว่าเจอความผันผวนปลดไปในชีวิตเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนี่ก็เรียกว่าใช้ทุกนะเพื่อละทุกหรือเพื่อดับทุกโดยพ่อบางท่านนี่ไอการที่ยอมทุกยอมลําบากจากการปฏิบัติธรรมนี่สามารถทําให้พ้นทุกทอย่างสิ้นเชิงเลยก็มีนะพระริจจ่า พ, พระอรหันต์หลายท่านทุกท่านเลยเนี่ยที่ท่านยอมลําบากในวันนี้ก็ช่วยทําให้ท่าน พ้นทุกในวันหน้าพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าบางทีมันไม่เป็นต้องใช้เวลานานนะในการที่เราจะเห็นว่าทุกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ดับทุกได้คนที่มีความทุกถ้าว่าเขารู้จักทุกรู้จักคลากวนความทุกนะมันก็ทำให้เขาเกิดปัญญาจนสามารถที่จะ ยกจิตเหนือความทุกข์ได้เรื่องราวของบุคคลมากมายนะในสาพฤธการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนางกีสาคุตมีนางปตาจาราหรือเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงสันติอัมมานเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เจอทุกข์นะทุกข์เพราะความสูญเสียสูญเสียคนรัก สูญเสียลูกบ้างแล้วก็บางคนก็ไม่ได้สูญเสียแค่ลูกนะสูญเสียพ่อแม่สูญเสียสามีบางคนก็สูญเสียคนรักนะทุกแสนสาหัสเลยแต่ว่าเมื่อได้มาไข้คั่วแล้วพบว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นความยึดติดถือมั่นในคนรักหรืออย่างที่พระเจ้าได้ แนะนำสอนสานตติอรมมมาว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ยึดติดในขันห้าเธอก็จะพบกับความสงบเย็นไร้ทุกข์พอเห็นตรงนี้เนี่ยนะปัญญาเกิดเลยนะจิตก็คลายความยึดมั่นในขันห้าจิตก็จะคลายความยึดมั่นในคนรักของรักแล้วก็ หลุดพ้นจากความทุกข์เลยถ้าเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้เนี่เพราะเพราะเจอทุกข์มาก่อนแต่ว่าพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไข้ ค, ควรจนเห็นว่าเนี่ยทุกข์เพราะอะไรพอรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเนี่ยไอการที่จะหลุดจากทุกข์เนี่ยมันก็แสดงตัวออกมาหนะทางแห่งความพ้นทุกข์มันก็เปิดกว้างขึ้น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะเจอทุกข์นะจึงพ้นทุกข์แต่บางคนเจอทุกข์แล้วเนี่ยกับทุกข์หนักนะเพราะไม่รู้จักใช้ทุกข์ให้เป็นคือว่าไม่รู้จักพิจารณาทุกข์เพรา ะ, ะนั้นอริยสัจข้อแรกเนี่ยกิจที่พึงมีต่ออริยสัจข้อแรกเนี่ยที่เาเรียกว่ากิจยานเนี่ยก็คือการรู้ทุกข์นะหรือการเข้าใจทุกข์แล้วคนเราเนี่ย จะรู้ทุกจะเข้าใจทุกได้ก็ต้องเจอทุกนะแต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ทุกกระทำย่ายีจนเสียผู้เสียคนก็กลับมาพิจารณาจนเห็นว่าทุกเพราะอะไรพอรู้ว่าทุกเพราะอะไรเนี่ยหนทางการพ้นทุกมันก็เปิดขึ้นเรียกว่ามันเฉลยออกมาปุยหยานก็ได้ว่าคำตอบในการพ้นทุกเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวทุกนั่นแหละ ก็เหมือนกับรูกุญแจเนี่ยรูกุญแจนี่มันสามารถจะใช้ล็อกประตูก็ได้หรือสามารถจะไขประตูให้เปิดก็ได้ถ้ามาล็อกประตูก็เท่ากับปิดปิดขังเราไว้แต่พอเราใช้รูกุญแจนั้นเพื่อเปิดเพื่อเปิดประตูมันก็เกิดอิสระเป็นอิสระขึ้นมา การทุกเนี่ยมันก็ใช้เพื่อละทุกข์ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องหนีทุกข์ตะพึ่ตะพือนที่จริงแล้วเนี่ยไม่ควรหนีเลยได้ซ้ำนะแต่ว่าจะต้องรู้จักมันเพราะเรารู้ทุกข์แล้วยังน้อยเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วและถ้าเรารู้ทุกข์อย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ทุกข์เพื่อ ดับทุกเนี่ยมันเป็นเป็นเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะถ้าเราจะอยากจะดับทุกเพิ้นทุกเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเจอทุกแล้วเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ใช้ทุกให้เป็นหรือเกี่ยวข้องกับทุกให้ถูกนะี่จริงเนี่ยที่มันง่ายหรือย่อมลงมากว่านั้นเนี่ย เช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ทันความคิดเพื่อที่จะละความคิดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ความคิดเนี่ยเพื่อละความคิดได้นะในแง่เนื้อคือว่าเราเวลามันคิดฟุ้งซ่านเนี่ยคิดกังวลคิดวิตกอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องอนาคตพอเราบอกตัวเองว่าเนี่ยจะคิดไปทำไมมันยังไม่เกิดขึ้น ถึงเวลาอาจจะไม่เกิดอย่างที่เราคิดก็ได้อาจจะไม่ใหา่อย่างที่เรานึกก็ได้หรื อ, อจจบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดบางทีไม่ใช่เวลาเอาไว้เหนพรุ่งนี้เอาไว้กลับไปที่บ้านแล้วค่อยว่า ก, กันหลายคนเนี่ยพอคิดแบบนี้เข้านีมันก็ทําให้ให้ความคิดความวิตกกังวลนี่มันก็หายไปได้นะหรือบางคนก็เสียอกเสียใจนะคิดฟุ้งซ่านนะ พ่อแม่ทำไมเขาชอบว่าเราหรือทำไมพี่เขาชอบตำหนิเรานะทำไมคนนด้นเขาชอบจํานจะีจาชัยเราชอบวิพากวิจารณ์เราแต่พอมันมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นว่าเออที่เขาทำ่างนั้นเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเขารักเราพอมันคิดแบบนี้ได้นะไอความคิดฟุ้งซ่าน ต, ต่างนา น, นานเนี่ย ที่จะเป็นความน้อยอกน้อยใจหรือความเศร้าเสียใจหรือแม้แต่ความกลัวมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความคิดแล้วความคิดหลายคนก็อาจใช้วิธีนี้ในลองที่ปฏิบัติมันคิดมากเหลือเกินก็ใช้ความคิดเพื่อที่จะทำให้ความคิดที่มันรบกวนจิตใจมันหายไปแต่ความคิดที่พูดถึงมาเป็นความตั้งใจคิดนะมันมีความคิดอีกแบบหนึ่งก็คือความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ย ที่เผลอคิดเนี่ยจริงมันก็มีประโยชน์นะไอการที่มันเผลอคิดที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิดนะเพราะว่ายิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้ยิ่งคิดในที่ที่หมายถึงว่าเผลอคิดหรือว่าลักคิดเนี่ยยิ่งรู้เนี่ยคือรู้ตัว หรือรู้ทันความคิดการปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนําเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามคิดนะแต่ท่านนะอนุญาตให้ใจมันคิดได้เพียงแต่ว่าเราจะไปหาเรื่องคิดหรือไปส่งเสริมให้มันคิดมันจะคิดก็ไม่เป็นไรที่จริงดีซะอีกนะเพราะว่าถ้ามันเผลอคิดบ่อยๆเนี่ย มันก็เปิดโอกาสให้เรารู้ทันความคิดได้มากขึ้นในการเผยคิดเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกับเครื่องฝึกสติให้เชี่ยวชาญชำนาญให้ฉับไวเพราะว่าสติเนี่ยมันก็ต้องมีคู่ซ้อมคู่ฝึกนะเหมือนกับคนเนี่ยก็ต้องนักเรียนก็ต้องทำการบ้านถ้าการบ้านง่ายๆ ง, ง่ายเกินไปมันก็ไม่เกิดปัญญา ถ้ายากเกินไปก็เดี๋ยวก็จะท้อแต่ถ้ามันพอดีพอดีนะเออก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ทักษะใ้การที่เผลอคิดบ่อยๆเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้สติของเราเนี่ยแก่กล้าขึ้นฉับไวขึ้นและพอสติของเราเนี่ยแก่กล้าขึ้นนะมันก็จะละความคิดได้มันก็จะละความคิดได้ไวขึ้นไวขึ้นอันนี้เรียกว่าใช้ความคิดเพื่อละความคิดนะ ไอ้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันขึ้นมาเลยไม่ออกมาเลยเราไม่ได้ห้ามมันแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมมันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้วายเพราะว่ามันก็มีประโยชน์ยิ่งมันคิดมากๆเนี่ยก็ยิ่งรู้มากๆทีแรกอาจจะรู้แค่ 10% แต่พอทําไปทําไปมันก็รู้เร็วขึ้นมากขึ้นเป็น 20% 30รนะรู้เนี่ยคือรู้ตัวคือรู้ทันความคิด ซึ่งก็ช่วยทำให้สติโตสติไวพอสติไวสติยิ่งไวเท่าไหร่มันก็จ ะ, จะลกความคิดได้เร็วมากเท่านั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวได้ไวเขาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะวางความคิดได้เร็วเท่านั้นหรือว่าจะหลุดจากความคิดได้เร็วเท่านั้นแล้วที่เรารู้สึกตัวได้ไหวหรือว่ารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องหรือมีความรู้สึกตัวได้ได้ดีขึ้นเนี่ย ก็เพราะอาศัยการที่มันเผยอคิดอยู่เรื่อยทำให้มีสตินะฉับไวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงนะเพราะเป็นหมอว่าความคิดมันแย่มันต้องกาจัดต้องการาบต้องกดข่มมันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราทำถูกนะเราก็สามารถใช้ความคิดนิรักความคิดไดนะ้เช่นเดียวกับที่เราสามารถจะใช้ ทุกเนี่ยเพื่อละความทุกได้หลวงพ่อความเขียนน่าเคยพูดว่าเนี่ยเห็นทุกก็พ้นทุกจะเห็นทุกได้เนี่ยนะมันก็ต้องเจอทุกอยู่บ่อยๆแต่พอเจอทุกแล้วเนี่ยไม่เข้าไปเป็นทุกนะแต่ว่าเห็นมันเมื่อเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันก็ไม่ทุกแล้วถ้าเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่าทุกอย่างเลยนะมันู้วนแต่เป็นทุกทั้งนั้นหรือเป็นกองทุกทั้งนั้นเลย ไม่ น, าน่ายึดถือเลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นคนที่ก็มีความท really. <teh> ุกข์มากแล้วแล้วได้เห็นว่าโอ้ยมันทุกข์เพราะว่าอะไรทุกข์เพราะขันท่าเนี่ยมันคือตัวทุกข์แต่ก่อนเนี่ยเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่ตอนหลังเห็นลึกไปกว่านั้นว่าไม่ใช่ชีวิตเป็นทุกข์นะแต่ว่าขันท่าเนี่ยเป็นทุกข์การที่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์นี่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็เลย ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อได้พ้นทุกข์ปิดชีวิตนี้เสียเพื่อจะได้หมดทุกข์อันนี้มันก็เป็นข้อเสียงคนที่มองว่าชีวิตเป็นทุกข์แต่ถ้ามองว่าชีวิตนี้เนี่ยมันประกอบด้วยขันห้าและที่ทุกข์เนี่ยเพราะขันห้าไปยึดถือขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกข์ปล่อยวางเมื่อไหร่ก็หายทุกข์ให้คนเราจะเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ได้นี่ก็เพราะมันเจอทุกข์เพราะความพัดพรากสูญเสียเพราะความเจ็บความป่วยอันนี้พอเห็นวนะ่าขันห้าเป็นทุกข์ ก็รู้ว่ามันไม่น่ายึดถือก็วางมันก็พ้นทุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นทุกนะจึงพ้นทุกแต่ว่ารารที่เรายัางแปะไปถึงขั้นนั้นก็ลองใช้อ่าให้เห็นความคิดก่อนเห็นความคิดมันก็หลุดจากความคิดหรือว่าใช้ความคิดละความคิดอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะสหรับการปฏิบัติธรรมอ่าคําน้พูดทนนี้นะ